อย่างที่เราได้ยินนะขณะนี้ก็มีเสียงร้องเพลงนะมีการลัดล่นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้รับหรือได้เสพหรือได้ทำสิ่งที่พิเศษแต่พวกเรานะที่นีนะ้สิ่งพิเศษของเราก็คือการมาวัดนะเพื่อมา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 มันไม่มีมันไม่ได้ผือหวามันไม่ได้เร่าใจเหมือนความสนุกสนานแต่ว่ามันก็ไม่มีพิษไม่มีภัยนะความสนุกสนานที่ผู้คนสแสวงหาหรือว่ากําลังเสพกันอยู่ขณะนี้เนี่ยมันให้ความตื่นเต้นเร่าใจก็จริงนะแต่ว่ามันก็เต็มไปด้วยอันตรายนะเพราะว่าอย่างต่ําๆก็ เหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะยิ่งร้องเพลงยิ่งละเล่นมันสนุกชั่วครู่เสร็จแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยใจยิ่งถ้ากินเหล้านะมีการเต้นลัมต่างๆมากมายบางทีมันหลงนะบางคนก็ลงเอ้ยด้วยการะทะเลาะกันอ่า วิวาทบาดหมางกันตีเกอมีในงานเลี้ยงในงานฉลองหรือว่าถ้าเกิดกินเหล้าไม่ต้องเ ม, มาไมยนะแค่หมืนก็พอมึนก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุถ้าไม่ไปชนเขาก็อาจจะลงคูก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 อย่างเมื่อสองสวันก่อนนี่ก็รถทัวร์ก็ลงเหวนะที่แถวเพชรบูรณ์ตายไปเกือบทั้งรถเลยเพราะว่าดาว่าคนขับคงหลับในอันนี้เรียกว่าเป็นความสุขที่เจอไปด้วยทุกนะมีพิษมีภัยมากบ้างน้อยบ้างมันเหมือนกับน้ำน้ำสีหรือน้ำหวานนะ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 ฟันเสียนะโทษมันมีมากนะถ้ากินทั้งวันแั้นานๆต้งกินทีหรือวันนึงก็กินนิดหน่อยให้พวกน้ำสีน้ำอัดลมไม่เหมือนน้ำเปล่าน้ำเปล่านี่กินได้ทั้งวันไม่มีพิษไม่มีภยัยเป็นประโยชน์กับร่างกายได้ซ้ำถ้าความสงบเย็นในจิตใจเนี่ยมันก็เปรียบเทียบได้กับน้ำเปล่าน้ำฝนนะไม่มีสีไม่ดึงดูด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 แต่ถ้าเสพบ่อยนะจนติดนี่ก็เป็นอันตรายอย่างคนที่ติดนะติดน้ำสีน้ำอัดลมนี่สนะุขภาพก็ย่ำแย่เมื่อคนที่ติดเสพติดในความสนุกสนานความบันเทิงที่เร้าตาเรา้าหูกระตุ้นดิ้นหรือว่าเร้าใจเนี่ยแต่นี่แหละคือสิ่งที่ผู้คนสแสวงหานะแล้วก็ยิ่งในช่วงเทศกาลนี่ก็ นะพากันเข้าหาก็าไปใหญ่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมนะีมันมีความสุขที่ประเสริฐกว่านะคือความสงบซึ่งจะเรียกว่าเป็นสิ่งพิเศษนะสำหรับพวกเราซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นค า, ารวาที่ใช้ชีวิตนะที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความเครียด าการที่ได้มาสัมผัสกับความสงบความรู้สึกโปรง่งรงเบาในจิตใจเนี่ยมันเป็นของพิเศษนะเพราะมันช่วยทำให้เรามีกำลังลไม่ใช่แค่กำลังกายแต่กำลังใจและมันเป็นประตูที่จะพาเราไปสู่ธรรมะอื่นๆนะที่เรียกว่ากุศลธรรมนะเมื่อใจเราสงบใจเราโปร่งใจเราเบา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 มันข้อของลูกนี้มันเป็นการมันเป็นประสบการณ์ที่จืดชื่อเหลือเกินสมัยตอนที่ตมาเป็นคาราวานนะยกว่านะได้ก็เคยไปเยี่ยมเคยไปเยี่ยมรุ่นพี่ซึ่งบวชเป็นพระมาได้เจดพันศาอยู่ที่สวนโมกคุมเรียงสวนโมกนี่สวนโมกนี่ดั้งเดิมอยู่ที่ภุมเรียงนะ สวนสวนโมกแรกเนี่ยต่อหลังถ้าจะพุทธรรยายไปที่สวนโมกอ่าตรงที่เรียกว่าวัดทานน้ำไหลเริ่มต้นเดิมทีมอยู่ที่ภูมิเรียงแล้วก็หลวงพีท่านนี้คือพระประชานะประสันธรรมโมท่านก็รักษาการเจ้าวาที่นั่นแล้วก็ไปเยี่ยมท่านแล้วก็นึกจินตนาการก็ถามท่านว่าเนี่ย ปีใหม่ท่านอยู่ไหนท่านก็อยู่วัดไม่ได้ทำอะไรที่พิเศษไปกว่าวันอื่นๆในใจก็นึกว่ามันเป็นการใช้ชีวิตในวันปีใหม่ที่แสนจะจืดชืดมากนะเพราะว่าในความรู้สึก ข, ของเรานะตอนนั้นยังหนุ่มนี่ก็คิดว่าเนี่ยปีใหม่ก็ต้องเที่ยวนะต้องเที่ยวอย่างน้อยก็ไปดูนงังหรือว่าสังสรรค์กัน่นะงนก็เพราะว่านานๆจะทาอย่างนั้นที มาใช้เวลาช่วงวันสุดท้ายของปีและปีใหม่นะอยู่กับวัดทากิจวัตรตามปกติหรือว่ารวมไปถึงการทำสมาธิมันช่างเป็นการการใช้เวลาที่น่าจืดชืดมากเลยนะต่อมาไม่นานเนี่ยก็พอขึ้นปีใหม่ปี 2-6 นะ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 ซึ่งเมื่อสาสิปีก่อนนี่มันก็ไม่ใช่เป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่เฉพาะพวกขาเที่ยวหรือว่าพวกที่รักธรรมชาติจริงๆเนี่ยถึ ง, ร, งรู้จักเกาะพีพีพพนะรวมทั้งป่าตองด้วยตอนนั้นก็เชอบพวกฝรั่งนะที่นักเที่ยวธรรมชาติจะรู้จักป่าตอมก็ไม่ได้สมัยนี้มันไม่ได้เละเหมือนเหมือนสมัยนี้นะซึ่งตอนนั้นมัน เ, เป็นธรรมชาติอยู่มากก็ตั้งใจว่าเนี่ยนะ ปีใหม่ทั้งทีก็ต้องจนะได้ไปเที่ยวพีพีก็เดินทา ง, งไปกระบี่เพื่อที่จะไปหาเพื่อนซึ่งเป็นคนแถวนั้นเป็นเพื่อนของเพื่อนนะซึ่งเรียกว่าเป็นคนที่รักธรรมชาติมากนะแล้วก็มีเกาะมีมีเรือมีเรือที่จะพาไปเกาะพีพีได้แต่พอไปถึงแล้วก็ผิดหวังเพราะว่า เขาไม่ว่างนะไอเรือมก็ไปก่อนแล้วนะเขาก็แนะนําว่างั้นก็ไปไปพักที่บ้านเขาสิบ้านเขาอยู่เกาะลันตาน้อยนะครอบครัวเขาเขาพราะแม่เขาก็อยู่ที่เกาะลันตาน้อยลันตามันมีสองลันตานะลันตาน้อยกับลันตายใหญ่ลันตาใหญ่เดือนนี้เนี่ยมีชื่อมากเพราะว่ามันเป็นอุทยานแห่งชาติไปละแต่เมื่อสาสปีก่อนนี่มันไม่ใช่ยังเป็นหมู่บ้านชาวประมงสงบ ร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านอาหารไม่มีซักร้านเลยนะเพราะคนนี้ไม่กินข้าวนอกบ้านกินข้าวในบ้านกันแต่ว่าไม่ได้ไปรันตาใหญ่นะไปรันตาน้อยซึ่งซึ่งไม่มีอะไรที่น่าจะไม่มีอะไรน่าเที่ยวเลยแต่มาเป็นบ้านของครอบครัวเขาก็ผิดหวังนะแต่ว่าไหนๆไปถึงนั้นแล้วก็ไปไปที่นั่นก็อยู่บ้านที่มีคนประมาณ สี่ห้าคนส่วนให ญ, ญ่เป็นคนแก่เขาก็ใช้ยึดตามปกติของเขากับหลานนะไอเรานี่ก็วันๆก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็ไปนั่งอยู่ที่สะพานปลาแล้วก็ดูทะเลดูเกาะไม่มีการลเล่นไม่มีการไม่มีที่เที่ยวนะนธรรมชาติหรือชีวิตที่นั่นก็ก็สวยนะแต่ช่วยมันจืดชืดเป็นหน่อย แต่ปกว่าพอไปอยู่งานสักสองสาวันนะได้เห็นแต่ทะเลนะไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครอ่านหนังสือบ้างนั่งสมาธิบ้างก็ส่วใจนี้ค่อยๆสงบธรรมชาติเนี่ยคือทะเลนะภูเขาค่อยๆกล่อมกล่าวใจให้สงบ ตรงนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นที่ที่ค่อนข้างจะพลุกพล่านมากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเรือจากปีนังเขาก็จะมามาซื้อถานซื้อถานสมัยนั้นเนี่ยการเดินทางด้วยเรือเนี่ยสำคัญมากคนไทยคนแถวกระบี่ภูกเก็ตนี่เขาไม่ได้ติดต่ออะไรกับกับคนที่กรุงเ ท, เทพเท่าไหร่นะเขาติดต่อกับคนที่คนจีนที่ปีนังนก็อาศัยเรือแต่ว่าตอนตอนหลังนี่มันก็ มันก็เส้นทางนก็สุดโทมล่วงโรยไปก็เลยไม่มีอะไรนะนอกจากาชีวิตที่เป็นธรรมดาสามัญของคนที่เขาหาเช้ากินข้าแต่ว่าการที่ได้ไปอยู่ที่นั่นได้สัมผัสกับความสงบเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกเลยว่าโอ้เป็นโชคของเราจริงๆเลยนะที่ได้ ได้มาที่นี่ยังรู้สึกเลย ว, ว่าถ้าไป pp เนี่ยก็คงจะไม่ได้สัมผัสกับความสงบแบบนี้แล้วมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าไอ้ความความสงบนี่มันเป็นความสุขที่อ่าประเสริฐกว่าความสนุกสนานซีก็นับว่าเป็นการฉลองวันสุดท้ายของปีที่ที่ดีมากวันที่สาก็ไม่มีอะไรนะสามทุมก็นอน คนที่นั่นนี่าก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรกันอยู่แล้วไม่เหมือนปีก่นกอนๆนะเท่าวันที่สามสัปนี้เราต้องคิดว่าต้องโต้รุ่งต้องสนุกสนานต้องมีเพลงต้องมีอะไรต่ออะไรที่มันตื่นเต้นเร้าใจแต่ว่าที่นั่นก็ชีวิตก็เป็นไปาตามปกตินะสามทุ่มก็นอนแล้วมันไม่มีอะไรมากโทรทัศน์ก็ไปไม่ถึงอินเทอร์เน็ตก็ไม่ต้องพูดถึงนะมันไม่มี เป็นเป็นวันสุดท้ายของปีที่นอนที่เข้านอนแต่หัวค่าแต่รู้สึกว่าเออมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็ทําให้เกิดความมั่นใจว่าเนี่ยถ้าบวชพระเนี่ยก็จะบวชได้นะเพราะตอนนั้นไม่ค่อยมั่นใจนะว่าบวชพระเราจะบวชได้ไหมเนี่ยสมเดือนชอนนะสามเดือนนี่จากคนที่วิ่งวุ่นนะทำงานวิ่ ง, ว, งวุ่นอยู่เฉยเฉยไม่เป็นอยู่นิ่งๆิ่งไม่ได้ นะต้องมาบวชพระนะปฏิบัตินะเราจะทําได้หรือนะแต่พอได้ไปสัมผัสกับความสงบที่นั่นแล้วเรารู้สึกว่าเราเราชอบความสงบแบบเนี้ก็ทําให้มั่นใจว่าถ้าบวชก็จะบวชได้แล้วก็บวชยังมีความสุขด้วยนะตอนนั้นก็ตั้งใจว่าจะมาบวชบวชแล้วก็จะมาอยู่ที่วัดป่าสุขโตนี่แหละนะปีสองหแต่ก็ไม่ได้บวชไม่ได้มาอยู่นะเพราะว่า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 มันทำให้เห็นเลยว่าไอความสุขที่เป็นความสนุกสนาลื่นเลืองนี่นะมันมันเราใจก็จริงนะแต่ว่ามันไม่สามารถจะเทียบได้กับความสงบความโปร่งความเบานคนสมัยนี้นี่ยากที่จะสัมผัสนะความสงบความโปร่งความเบาในจิตใจเนี่ยถึงแม้จะมีเงินนะซื้อความสนุสนาลื่นเลืองได้ นะเงินเนี่ยนะมันซื้อความสนุกสนานลื่นเรืองได้ไม่ยากจะลื่นเรืองที่ไหนก็ได้นะในกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่ฮนะ่องกงโตเกียวเนี่ยไม่มีปัญหาถ้ามีเงินแล้วก็มีเวลาแต่ว่าความสงบความโปร่งเบานะเงินซื้อไม่ได้ แต่พอเงินซื้อไม่ได้นั่นแหละที่ทำให้คนสมัยนี้เนี่ยรู้สึกขาดสิ่งนี้ไปแล้วก็ในส่วนลึกก็โหยหาหลายคนก็โหยหาความสงบเพราะว่าจิตใจมันว้าวุ่นเหลือเกินหลายคนโหยหาความโปร่งเบาในจิตใจเพราะว่าจิตใจมันหนักอึ้งมากในความสงสนานก็เพียงแต่ทำให้ลืมความหนักอึ้งในจิตใจไปชั่วคราวพอตื่นขึ้นมา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 จิตใจมันล่าเริงเบิกบานแต่พอถึงวันที่หนึ่งม ก, กราเนี่มันชักห่อเหี่ยวแล้วเพราะว่างานเลี้ยงเลิกราไปแล้วแล้วก็ต้องทํางานแล้วก็เกิดความรมู้สึกที่ห่อเหี่ยวนะบางคนก็ไม่อยากไปทํางานนะไม่อยากกลับบ้านเพราะว่ายังอาลัยในความสนุกสนาน แต่ว่าไอ้ความความสงบความปร่งเบานี่มันมันไม่ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นแต่ความสงบความปร่งความเบาเนี่ยนะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเงินซื้อไม่ได้นะแล้วก็บางทีใจมันก็ไม่ให้ด้วยใจมันก็ไม่ชอบใจไม่ชอบหมายความว่าใจมันก็กล้ากลัวๆนะว่าเอ๊ะมันจะจะจืดจะชืดไปไหม อยากจะได้เหมือนกันนะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันต้องมันต้องทำใจอยู่พอสมควรนะถึงได้สัมผัสความสงบมันไม่ใช่ว่ากดปุ๊บติดปั๊บเหมือนความสนุกสนานนะความสนุกสนานนี่โดยเฉาจะเป็นวัยรุ่นนี่มันกดปุ๊บติดปั๊บเลยนะสนุกสนานลึกเพียงแค่เปิดเพลงนะมันก็ตัวความรู้สึกสนุกเล่าใจแนละ้แต่ความสงบนี่มันต้องใช้เวลา และคนเราเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีความอดทนในการที่จะค่อยๆให้ใจได้คืนสู่ความสงบที่จริงความสงบนี่มันเป็นภาวะปกติของจิตใจนะถ้าจาวุถ่าเปื่ยยมันก็ว่าเหมือนกับก้อนหินนี่มันค่อยดิ่งลงสู่ก้นสู่ก้นแม่น้ําหรือก้นทะเลนะเมื่อดิ่งลงถึงก้นทะเลมันก็จะนิ่ง จริงคนเราเนี่ยมันก็เรียกว่ามีธรรมชาติที่จะดิ่งสู่ความสงบแต่บางทีมันก็เหมือนกับบางทีมันก็ไปไม่ถึงนะเพราะว่ามันค้างมันคามันก็ก้อนอย่นี้มันคามันค้างอยู่บนอยู่ในสาหร่ายนะก็คือว่ า, อาพอจะคือมันต้องใช้เวลาในการที่จะค่อยๆได้สัมผัสความสงบ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 แะไม่ยอมให้โอกาสแก่จิตใจของตัวเองในการที่จะได้ค่อยๆ ค, คืนสู่ความสงบแต่พวกเรานี่ก็คิดว่าถ้าเราได้ อ, ไดอุตสาห์มาถึงขนาดนี้แล้วนะเร า, เาสละโอกาสที่จะไปเที่ยวสนุกสนานลื่นเลิเฉลงฉลองมาที่นี่เนี่ยก็เชื่อว่าเรามีฉันทะนะเรามีความเพียร แล้วก็เราก็มีความรู้จักอดทนรอคอยในการที่จะทำให้จิตได้เข้าถึงความสงบได้ถ้าคนเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราเป็นเส ม, มือนคนที่เสพติดนะเป็นคนที่เสพติดชนิดหนึ่งอาจจะไม่ได้ติดเหล้าติดบุหรี่แต่ว่าก็เสพติดภาษาเตดเสพติดแสงสีหรือว่าสิ่งกระตุ้นเราในเวลามาเวลามา มาวัดใหม่ๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกกระสับกระส่ายเหมือนคนที่เคยติดเหล้าติดบุหรี่หรือติดกาแฟนะพอไม่ได้วันไหนไม่ได้เสพเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่รู้สึกกระสับกระส่ายยิ่งถ้าติดแบบเพติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาด้วยแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งมีอาการเรียกว่าลงแดงนั้นถ้าไม่ได้เสพนานๆหลายคนทนไม่ไหวนะก็ต้องก็ต้องกลับเข้าไป อย่างคนที่ติดเหล้านี่ให้อดสักวันหนึ่งก็ไม่ไหวมันต้องกลับไปไปไปดื่มอย่างน้อยสักเป๊กหนึ่งก็ดีเพื่อแก้ให้การที่คนเรานี่จะจะสามารถอดทนต่อภาวะกระสับกระส่ายหรือลงแดงจนกระทั่งกลับคืนสู่ภาพปกติได้เนี่ยน้อยนะแต่หากว่าไม่อดทนไม่รอคอยแล้วนะ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 จิตมันไม่ยอมร่างกายไม่ยอมก็จะต่อสู้มันจะกลับไปเสพสิ่งที่มันเคยติดเราก็ต้องอดทนไอ้การเสพการเสพหรือติดแสงสีหรือว่าผัสสะสิ่งกระตุ้นเลาเนี่ยอย่างคนเมือนี่ก็เหมือนกันนะพอไม่ได้พอมาอยู่ในป่าในสถานที่แบบนี้ยิ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้พกโทรศัพท์มาไม่ได้มีการ ไม่ไม่สามารถจะติดต่อใครทางอินเทอร์เนต็ตไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กไม่ได้ดูหนังฟังเพลงติดตามข่าวสารเนี่ยนะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเองจริงๆเนี่ยมันก็จะมีอาการกระสับกระส่ายจิตใจมันต่อต้านแต่ถ้าเกิดว่าเราผ่านตรงนั้นบปได้เนี่ยเราก็จะได้พบกับความสงบริงงถ้าได้มาปฏิบัติ ด, ด้วยนะเป็นตัว ก็จะเป็นตัวเร่งเป็นตัวช่วยช่วยทําใหนะ้จิตใจเราโปร่งเบาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าสติเนี่ยความรู้สึกตัวมันมันจะช่วยทําให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านง่ายนะพอฟุง้งซ่านก็ใจก็รุดสติก็ช่วยทําให้ใจรู้ทันวางมันลงได้นะจิตไปแบกอะไรไว้ตัวรู้สึกหนักอกหนักใจหรือรู้สึกกังวลนะ ก็รู้ตัวแล้วก็ปล่อยมันให้ความทุกข์คนเราส่วนใหญ่เกิดจากการที่ไปแบกไปแบกอดีตหรือไปแบกอนาคตเอาไว้อดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วอนาคตคือสิ่งที่มันไม่ถึงแต่ก็ปรุงแต่งไปแล้วก็ทําให้เกิดความกังวลความหนักอกหนักใจนะภาษาไทยเราก็มันให้ภาพชัดเจนนะหนักอกหนักใจคือไปแบกเอาไว้นั่นเอง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 แบกมันเอาไว้แบกคิ้นเอาไว้หรือว่าจับฐานก้อนแดงๆเอาไว้โดยที่เราก็บ่นว่าปวดเราบ่นว่าร้อนเราบ่นว่าหนักแต่เราก็ยังแบกมันอยู่เราก็ยังจับมันอยู่อันนั้นเพราะอะรเพราะเราไม่รู้ตัวเพราะเราลืมตัวสติเนี่ยสัมปชัญญะนี่มันทาให้เรารู้สึกตัวมันทำให้เรารู้ตัวขึ้นมาพอเรารู้ตัวนี่นะ มันปล่อยเองนะมันปล่อยเองมันวางเองไม่แบกต่อไปยิ่งถ้ามีปัญญาด้วยแล้วเนี่ยมีปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติหรือที่เกิดจากการที่ได้ฟังคําชี้นนะอย่างที่เราสวนเมื่อสักครู่เนี่ยนะอนาตตะลคณสูตรนี่ปัญจวัคคีนี่พอได้ฟังธรรมจากผู้เจ้าแล้วก็รู้เลยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าขาันธ์ทั้ง5้าเนี่ย มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนก็ปล่อยเลยนะปล่อยเพราะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่วิเศษอะไรที่น่าจะยึดถืออะไรเลยเรืองเกิดความเบื่อนหน่ า, นายเกิด น, นิพพิธานิพพิธาความเบื่อนหน่ายเพราะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งวิเศษลงคิดว่ามันเป็นสิ่งวิเศษต้องน้ำหลงเชื่อมันให้ความสุดกับเราได้ลงเชื่อมันเป็นตัวเป็นตนพอพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดนะสะกิดใจเหมือนกับว่า สะกิดธุลีออกจากดวงตาปัญจวัคคีย์ก็เห็นเลยว่าโอ้ใช่เลยนะเราเผลอไปแบกมันต้องนานพอรู้เท่านั้นเราปล่อยเลยนะเกิดนิพพิทาวิราคะนิพพิทาความเบื่อนายวิราคะคือการปล่อยมันตรงข้ากับราคะราคาคือความยึดเอาไว้เพราะว่าความหลงไหลในรสอร่อยหรือในสุขของมันแต่พอเห็นนั้นนั้นแหละปล่อยทันทีเลยและช่วยเวลานั้นเองปัญจวัคคีย์ก็ ควารู้ธรรมเป็นพระรหัสทั้ง5รูป5ท่านอันนี้เรียกว่าปล่อยเพราะเกิดปัญญาจากถึงแม้เรายังไม่มีปัญญาที่จะเห็นทำเห็นพะไตรลักอย่างแจ่มแจ้งขนาดนั้นเนี่ยแต่ว่าเราถ้าเรามีสตินะเรามีสติมีความรู้ตัวเนี่ยไอ้ที่แบกๆเอาไว้นี่ก็ปล่อยได้เหมือนกันนะแบกเรื่องราวในอดีตที่ทําให้เสียใจแบกความโกรธ ความขุ่นมัวหรือไปแบบความวิตกกังวลพราะเป็นนึกถึงสิ่งไร้ลายที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตพอรู้ว่าแบบกําลังแบกหิ้นอยู่กําลังจับฐานไฟแดงๆอยู่นะรู้ตัวเท่านั้นละปล่อยเลยผลที่เกิดขึ้นแหะคือความโปรง่งความเบาความเย็นนะอันนี้เรียกว่าะจะช่วยทําให้เราได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้ได้เร็วขึ้น ถือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหวังแต่เพียงแค่ให้ธรรมชาติมากล่อมกล่าวใจเรานะเพราะถือแม้ธรรมชาติจะกล่อมใจเราสงบเดี๋ยวกลับไปเจอกับความบึกทึกความพลุกพล่านนะหรือว่าภาระการงานก็เครียดใหม่ทุกใหม่แบกใหม่นะลําพังธรรมชาตินี่มันไม่เพียงพอนะเราต้องอาศัยนะการเรือปลุกหรือกระตุน้นความรู้สึกตัว เขาเรียกว่าธาตุรู้ปลูกสติให้เกิดขึ้นมันก็จะช่วยทําให้เราสามารถจะปล่อยวางได้เร็วขึ้นแล้วก็อะไรอะไรมากระทบเราก็รู้ทั น, นไม่ปล่อยให้จิตใจคุณมัวรุ่มร้อนหรือปล่อยให้ภาษานี่มันมามันมาทิ่มแทงจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เรามาใช้เวลา ที่พิเศษนะของปีเนี่ยเพื่อมาเจริญสติม า, าสร้างความรู้สึกตัวที่นี่นะนะัว่าเป็นเรื่องที่น่าโน้นมนมธนามากก็หวังว่าพวกเราจะได้รัได้รับได้สัมผัสกับสิ่งที่ได้ปรารถนานะให้สมกับที่ได้ได้ใช้เวลาช่วงนี้แทนที่จะมาร้องเพลงก็มาสวดมนต์นะแทนที่จะเต้นลําเราก็มาเจริญสติเดินจงกรม อันนี้น่าว่าเป็นสิ่งที่น่าโนุโมทนามากนะคำนี้ก็พูดกันเท่านี้